นรกกภูมิภาพยนต์ฮอลลีวูดจำลองภาพเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงความจริงเสียแต่ยิ่งสมจริงเท่าไรใจเรายิ่งนึกว่านารกเป็นเพียงเรื่องหลอกมากขึ้นเท่านั้นทว่าจิตของคุณจะไม่เห็นเป็นเรื่องหลอกเลยเมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นกับตนเองพุทธพจน์ นร ก, กรภูมิเปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยท่านเพลิงหลุมนี้ย่อมไม่นำความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อนแต่ถ้าหลงเดินมาตามทางที่จะพลัดตกลงไปในหลุมท่านเพลิงนี้แล้วในที่สุดเขาย่อมเสวยทุกอันเผ็ดร้อนแสนสาหัสอีกทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วยจากมหาสีหนาฏสูตร ทุกโทมนัตอันเกิดจากการถูกแทงด้วยหอกสา0รอยเล่มยังไม่เท่าความทุกข์ในนรกแม้สักเสี้ยวหนึ่งสัตว์นรกย่อมเสวยทุกแรงกล้าและเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นโดยจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดด้วยการลงทันประการต่างๆเช่น 1. เหล่านายนิรยาบาลมีการลงทันชื่อการจองจํา5ประการคือ ตรตปูเหล็กแดงเข้าที่มือซ้ายที่มือขวาที่เท้าซ้ายที่เท้าขวาและที่ตรงกลางทรงอกของสัตว์นรก 2. เหล่านายนิรยาบาลมีการจับสัตว์นรกขึนพืชแล้วเอาจอบถากราวกับร่างที่ถูกถากเป็นเพียงท่อนไม้ 3. เหล่านายนิรยาบาลมีการจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลงแล้วถากด้วยพระสี เหล่านายนิริยาบาลมีการจับสัตว์นรกเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนพื้นดินที่มีไฟติดลุกโผลงโชดช่วงห้าเหล่านายนิริยาบาลให้สัตว์นรกปีนภูเขาฐานเพลิงที่มีไฟลุกโผลงโชดช่วงไปทั้งลูกขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นอยู่อย่างนั้นหกเหล่านายนิริยาบาลจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลง แล้วคว้างให้พุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟลุกโผลงชดช่วงไปทั้งใบสัตว์นรกจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะทะลึ่งพลานขึ้นข้างบนบ้างข้างล่างบ้างข้างขวาบ้างข้างซ้ายบ้าง 7. เเหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นรกเข้าไปในมหานารกอันมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นปูเต็มไปด้วยแผ่นเหล็กอันลุกโลงอยู่ด้วยไฟแผ่ไปตลอดร้อยโยดรอบด้านไม่มีดับเลยแม้เราจะสาธยายไว้มากอย่างนี้โดยความเป็นจริงไม่ง่ายเลยที่จะกล่าวถึงความทุกข์ในนรกตามที่ปรากฏอยู่จากพาระบัณฑิตสูตร มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบนรกภูมิว่าเทียบได้กับหลุมลึกที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงดักอยู่บนทางกันดานก็หมายความว่าเส้นทางสู่ความเป็นสัตว์นรกคือกับดักที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งเพราะนรกเปรียบเหมือนจุดต่าสุดสร้างขึ้นจากพลังกิเลสหนักสุด จึงย่อมมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เหนียวแน่นที่สุดด้วยสำหรับคนที่เดินทางไกลทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งหิวกระหายเคราะหซ้ำกรรมสัตว์อันใดเล่าจะเท่าพลัดตกลงไปในหลุมถานที่ไม่เนื้อให้ผู้พองได้ทั้งตัวเมื่อตกลงไปอยู่ในนรกจะไม่มีใครรู้สึกว่ามีทางรอดสภาพแบบที่คุมขังเพื่อลงทัน ถูกกรรมออกแบบให้เห็นแล้วนึกไปว่านี่คือการจองจาชัว่วนิรันดร์ขอให้คิดถึงความทุกจากการป่วยเป็นไข้หนักตัวร้อนจนคุณรู้สึกคล้ายเตียงเป็นเครื่องทรมานให้ตัวต้องบิดไปบิดมาคุณจะรู้สึกเหมือนเวลายือดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้รอคอยวันที่จะได้หายไข้านานเท่าใดตื่นขึ้นกี่ครั้งก็พบว่ายัางไม่หายอยู่ดี ที่ยังดีคืออาจมีช่วงผ่อนหนักเป็นเบาบ้างแต่ในนรกยิ่งกว่านั้นคุณจะไม่ชินกับความทุกข์ไม่ชินกับความร้อนและแม้ทรมานจนขาดใจตายก ร, รมก็จะบันดาลร่างใหม่ให้ผุดเกิดขึ้นสืบทอดความทุกต่อโดยพลันไม่ให้หายใจหายคอตราบเท่าที่กำลังของกรรมยังส่งผลไม่หมดหนาทีมรณะบนโลกมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่า ความตายเป็นแค่ประสบการณ์วูบเดียวที่จะผ่านหายและถูกลืมแต่สิ่งที่รออยู่หลังความตายต่างหากจะเป็นประสบการณ์ยืดเยื้อยาวนานที่แท้จริงกรรมอันควรแก่ภาวะแผดเผากรรมที่ควรแก่นรกคือกรรมจากความเห็นแก่ตัวรุนแรงเช่นศีลห้าขาดวินด้วยน้ำจิตประทุสร้ายเกินกว่าจะเป็นไปได้ในผู้มีมนุษยธรรม เพียงครั้งหรือสองครั้งก็มีผลให้จิตใจตกต่ำดำมืดพร้อมจะไหลลงนรกอย่างยากจะทนกระแสยกตัวอย่างเป็นข้อข้อได้คือหนึ่งทำร้ายร่างกายผู้ทรงศีลหรือผู้มีพระคุณเช่นฆ่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเตะทีบตบตีพ่อแม่จะด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยฤทธิ์น้ำเมาก็ตาม และสำหรับศีลข้อแรกนี้ถ้าเป็นพรานป่าหากินเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นผู้คุมนักโทษที่มีความชินชากับการเป็นผู้ลงโทษก็มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นนายเนยรยาบาลแต่นายเนยรยาบาลก็อาจเป็นรูปในรมิตที่กรรมของสัตว์นรกบางจำพวกบันดาลขึ้นได้ 2. ยักยอกสิ่งของอันเป็นสาธารณเช่น โกงเงินวัดบริหารบ้านเมืองด้วยการเอาทรัพย์ของบ้านเมืองมาเป็นของตนยังความเดือดร้อนแก่สาธารณชน 3. ประพฤติทางกามด้วยความโชดเช่นคมขืนทำร้ายร่างกายหญิงที่ไม่ใช่พันรยาตนล่อเป็นชู้ไม่เลือกหน้าจนติดเป็นความชินชาและไม่คิดเลิก 4. พูดให้เกิดความเสียหายเช่นโกหกในแบบที่คนต้องตายต้องเดือดร้อนสาหัสหรือพูดให้ร้ายยุยงสงหรือคนในประเทศให้แตกกันเป็นสิ่งเสียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 5. ้าเสพเครื่องเมาถึงขั้นสติขาดเช่นกินเหล้าจนกลายเป็นขี้เมาอาลวาดโดยไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจได้เรื่อย แม่น้ำหนักการประทุส้ายเบากว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกระแสนรกขึ้นในตนเต็มรอบคือมีความร้อนแรงร้ายกาจฟุ้งซ่านพล่านไปในความชั่วได้ทุกวันใครอยู่ใกล้พลอยร้อนรนกระวนกระวายไปด้วยแล้วก็พร้อมจะพุ่งหลาวลงนรกได้ในทันทีที่ตายเช่นกันนิมิตบอกหลางร้าย สำหรับคนชั่วสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือสิ่งที่ทำไว้ก่อนตายเพราะขณะตายในห้วงมโนทวารจะเห็นกรรมชั่วที่เคยทำกําลังย้อนกลับมาลากตนไปลงนรกปรากฏเป็นฉากฉากฉากแล้วฉากเล่าการทบทวนกรรมจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดูเป็นเรื่องเป็นราวความคิดและคำพูดที่ถูกฝังลืมไปแล้ว ย้อนกลับมาอีกเหมือนเพิ่งปรากฏสดๆร้อนๆหรือถ้าการทบทวนกรรมไม่เกิดขึ้นก็เป็นนิมิตแสดงอุปกรณ์ในการทำกรรมเช่นเคยออกล่าสัตว์เอาสนุกไว้มากๆก็ปรากฏนิมิตปืนผ่าหน้าไมายที่เคยใช้หรืออาจเห็นสัตว์รูเข้ามาทวงชีวิตอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิมิตถ้าไม่ใช่กรรมชั่วที่เคยทาก็อาจเป็นภาพนิมิตของนรก ซึ่งปรงแต่งขึ้นแบบเดียวกับฝันร้ายหรือไม่จิตก็ทะลุไปเห็นสภาพจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของนรกเช่นเครื่องลงทันที่เตรียมรอตนอยู่และหลังจากจิตสุดท้ายดับลงก็เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ซึ่งก็คือภาวะที่สอดคล้องกับกรรมที่เคยแผดเผาโลกมนุษย์ไว้อย่างนี้เรียกว่าคตินิมิต เมื่อกำได้เวลาผลติตผลหลังความตายเขาไม่ถามคุณว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่ฟังเสียงว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่จะทำตัวเป็นตุลาการผู้ไร้หัวใจปฏิบัติตามหน้าที่ส่งคุณไปอย่างที่ที่ควรจะไปท่าเดียวการจะไปดีหรือไปร้ายแค่ไหนนั้นเอาอาการทางกายมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้กายบางคนสงบ ก็เพราะโรคภัยไข้เจ็บตัดอาการรับรู้ทางกายไปแล้วหรือรับรู้แต่ตอบสนองไม่ได้ตรงข้ามกับบางคนที่กายกระสับกระสายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขั้นสุดท้ายถ้าบุญถึงจริงก็มีนิมิตของกรรมหรือนิมิตของกติอันเป็นที่ไปมาระ ง, งับความกระสับกระสายทางใจจิตสว่างอย่างเตรียมไปดีได้เอง สภาพแวดล้อมของนรกนรกคือการลงทันมีเครื่องลงทันอาจประกอบหรือไม่ประกอบด้วยผู้ลงทันที่เรียกนายนิรยาบาลความปวดแสบปวดร้อนของสัตว์นรกนั้นถ้าเอาความรู้สึกทางใจนรกก็ไม่ได้ต่างไปจากที่คุมขังสถานที่ลงทันหรือแดนประหารที่ใช้มาตรการโหดเหี้ยมทารุณบนโลกนี้เท่าใดนัก เราจึงดูที่มนุษย์ธทมกับมนุษย์เป็นการชิมลางก่อนก็ได้สมัยที่ผู้คนยังป่าเถื่อนและเห็นการตายทรมานของเราอาจยากรเป็นเรื่องสนุกหรือสมัยที่เห็นสมควรให้ประชาชนทัศนาโทษทันอันควรสาแก่ใจของทรชนโฉดก็คนคิดวิธีทารุนต่างๆนาน า, นาเช่นย่างไฟสดๆแล่เนื้อเอาเกลือทาจับแช่น้าเดือด เป็นต้นเหล่านี้นับเป็นหนังตัวอย่างของนรกภูมิได้อย่างดีมาถึงยุคที่บางประเทศอยากให้ผู้คนกลัวการลงโทษของกฎหมายก็ทำการแขวนคอนักโทษประหารในที่เปิดเผยต่อสาธารณชนใครจะมามุงดูหรือกระทั่งเอาหินคว้างอย่างไรก็ไม่ว่าเป็นการเชื้อดไก่ให้ลิงดูพอประชาชนเห็นนักโทษแดวดิ้นตาถลน ทรมานนานก่อนขาดใจตายก็จะได้ไม่กล้าละเมิดกฎหมายอาญากันโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกกับผู้ช่วยของเขาชื่อเฮโรล์บราวน์ช่วยกันคิดค้นเก้าอี้ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้แทนการแขวนคอนักโทษประหารด้วยแนวคิดว่าเป็นการทำให้ทรมานน้อยลงสองนักประดิษฐ์ สาธิตการฆ่าสัตว์หลายตัวด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อทำให้เชื่อว่าวิธีนี้เหมาะกับการประหารชีวิตนักโทษที่สุดทว่าระหว่างทำกับสัตว์และทำกับคนอาจไม่เหมือนกันคนตายไม่อาจกลับมาเล่าได้ว่าเป็นอย่างไรแน่ที่แน่แนคือพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างพูดตรงกันว่านอกจากจะไม่ทุเลาความน่าสมเพชแล้ว ยังน่าจะไม่มีวิธีประหารใดฮฤโหดหน้าขนลุกขนพองไปกว่าเก้าอี้ไฟฟ้าอีกแล้วสภาพการตายของคนที่ดิ้นบนเก้าอี้ไฟฟ้านั้นทุเรศทุรังเหลือประมาณเคยมีเกียรติยศหรือมีความสง่างามมาบานใดก็เป็นอันสิ้นสุดลงบนเก้าอี้ไฟฟ้านั่นเองนาทีประหารนักโทษเก้าอี้ไฟฟ้าจะกระตกอดตัวแล้วทะลึ่งโดด เพื่อต่อสู้กับเครื่องร้อยรัดด้วยพลังมหาศาลอย่างเหลือเชื่อในเฮือกสุดท้ายของชีวิตมือของนักโทษจะแดงสลับขาวลำคอจะก่งยืดออกมาราวกระดูกทำด้วยเหล็กสปริงแขนขาและนิ้วมือนิ้วเทา้ากับใบหน้าหงิกงอบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมให้จดจำกันได้อำนาจขับดันของไฟฟ้านั้นส่งพลังสูง ขนาดทำให้ลูกในตานักโทษถลนจากเบาแล้วออกมากองบนแก้มได้โดยมากนักโทษมักขับถ่ายของเสียอย่างอุจจาระปัสสาวะออกมาเรียราดแถมปากอาจพ่นเลือดกับน้ำลายทะลักหลังพรั่งพรูออกมาด้วยส่วนเนื้อหนังของนักโทษจะบวมเป่งออกและขยายจนกระทั่งฉีกขาดหลังจากแดงกําใกล้เป็นไฟได้ที่ ผู้ใกล้ชิดเหตุการสามารถได้ยินเสียงประทุแบบเดียวกับที่เราได้ยินเสียงเปรี้ยะของเนื้อทอดบนกระทะว่ากันว่าก้อนสมองจะมีความร้อนสูงได้เท่าน้ำเดือดทีเดียวแม้เวลาผ่านไปหลังจากตัดกระแสะไฟฟ้าแล้วตับก็จะสุก ข, ขนาดแตะต้องด้วยมือเปล่าไม่ได้เมื่อต้องตายทรมานขนาดนี้และสภาพศพหลังการตาย สุดอุจาร์เห็นปาด น, นี้เหตุใดบ้านเมืองจึงกระทําเสมือนไรมนุษยธรรมนักเล่าครั้งนั้นเขาอ้างกันว่าวิธีนี้ทำให้ตายทันทีโดยปราศจากความเจ็บปวดและที่อ้างได้อยู่นานก็เพราะไม่มีการเผยแพร่นาทีประหารออกสู่สายตาประชาชนหากทุกคนเห็นแล้วก็คงหลงมติเป็นเอกฉันให้ยกเลิกวิธีประหารแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว นรกก่อนตายของคนเจอโทษประหารโหดๆอาจเป็นการลงโทษที่สะสมกับบาประดับหนึ่งแล้วถ้าไม่มีบาปอื่นอันสมควรแ ก, ก่การลงทันอันเหี่ยมเกรียมต่อก็อาจไปสู่ความเป็นเดรัจฉานหรือความเป็นเปรตหรือกระทั่งภูมิสูงกว่านั้นได้บางคนอาจนึกว่าโทษประหารอันไร้มนุษยธรรมอาจแสดงทุกในนรกทั้งหมดแล้วแต่ช้าก่อน ในนรกไม่มีมนุษยธรรมในการลงทันต่อให้มนุษย์ถอดจิตไปเยี่ยมทัศนาแล้วกลับมาร้องแรกแหกกระเชอยื่นอุทธรขอให้ระงับวิธีป่าเถื่อนอย่างไรก็ไม่มีใครช่วยยุติโทษทันอันเหี้มเกรียมเหล่านั้นได้แถมพระพุทธเจ้ายัางตรัส้วยว่าให้อหกสามร้อยเล่มแทงซึ่งคงหมายถึงไม่เหลือสักตารางนิ้วเดียวที่ปราศจากความเจ็บปวดจากหอก ก็ยังไม่ได้เซียวเดียวของความทุกข์ในคุมนรกสุดท้ายขอให้ทราบว่าวิญญาณที่บุดเกิดในนรกได้นั้นต้องมืดหนักเข้าขั้นพอฉะนั้นกําหนดเวลาในการลงโทษย่อมไม่ธรรมดากว่าจะถึงกําหนดพ้นโทษได้นี่เขาไม่นับกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่ากันหลายร้อยปีหลายพันปีหรือกระทั่งเป็นกับเป็นกัน